ของมาก็ไม่มีคำจะพูดแล้วเพราะงั้นพูดมาเยอะแล้วเพรั้นหล า, <laughs> ายท่านเนี่ยว่าไว้แล้วว่าจะให้ท่องไม่ได้เนี่ ย, ยังไม่ได้ทวมเลยเนยท่องก็ไดนะท่องที่ที่จะไปยังท่องไม่ได้เลยไม่ต้องพูดว่าจะไปได้ไปถูกมันกันนลยน <laughs> ทีทีนี้นต่อไปน ะ, ะลาวิจิกิจชาด้วยสา ม, มารถแห่งการกำหนดธรรม ทําไมตรงนี้ท่านบอกว่าให้ละวิจิกิจชาด้วยการกําหนดธรรมที่อธิบายอย่างเนี้ยเนื่องจากว่าคนเนี่ยพอเจริญกุศลไประดับหนึ่งมันสงสัยแล้วมันชักไม่แน่ใจแล้วจริงๆก็เหมือนกับอะไรนะแมกะยยาวะโยมเลยถ้าบวชเข้ามาก็เหมือนกันนั่นแหละพอทําทําไปทํามาปั๊บชักสงสยัยเลยชักไม่ค่อยแน่ใจมันจริงหรือบุญมันมีจริงหรือบาปมันมีจริงหรือพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไอ้ที่เราทําเนี่ยมันถูกอยู่หรือเป็นต้นแนวเริ่ม อ่สงสัยก็คือแปลว่าระแวงความระแวงก็เกิดขึ้นในใจระแวงแล้วระแวงเล่าระแวงนู่นระแวงนี่ชักระแวงแล้วแล้วยิ่งคนที่ทําบุญแบบอ่บางทีเนี่ยนะไม่มีปัญญาประกอบมาตั้งแต่ต้นแล้วยิ่งทํายิ่งระแวงเข้าเพราะระแวงเข้าไปไหนคะเนี่ยเมื่อระแวงแล้วคิดว่าจะทําต่อไปไหมอย่างสมมตินะออย่างโอ้ยหนังสือนี่พิมพ์ผิดหมดเลยระแวงว่านี่ผิดหมดถ้าอยนี้เราจะอ่านหนังสือเล่มนั้นต่อไปไหม ถ้าจะยากอย่างคนที่ระแวงพระไตรปิฎกเนี่ยนะก็ไม่อ่านพระไตรปิฎกอยู่แล้วไม่ถูกล็อกทิมผิดอย่างงั้นอย่างนี้นะอธิบายซะเสียเลยก็เลยไม่ยอมอ่านท่านกลุ่มระแวงในกระระแวงกุศลก็เหมือนกันเชื่อได้เลยว่าเขาจะไม่เจริญกุศลเขาจะเจริญแต่อกุศลเท่านั้นฟันท่านบอกว่าถ้าจะให้ละความระแวงเนี่ยนะระแวงหรือเรียก ว, วิจิกิจชาเนี่ยด้วยการกําหนดทำให้ดี คือต ma ้องคำว่า hmm. ก right. yeah. oh. ําหนดธรรมในทีน MM yeah. ี้ก็คือกําหนดว่าอะไรคือกุศลธรรมอะไรคืออกุศลธรรมเนี่ยนะความตอกย้ําอย่างแม่นยําตรงนี้ต้องแม่นยํามากเลยกุศลคืออกุศลกุศลคืออะไรมันให้ผลเป็นอย่างไรมันดีอย่างไรอะนนผลกําไรของกุศลคืออะไรอกุศลคืออะไรผลกําไรแห่งอกุศลคืออะไรอะไรคือสิ่งที่มีโทษอะไรคือสิ่งที่ไม่มีโทษอัพวกนี้ต้องพวกทรงกรามเทวทูตสูตรเป็นต้นนี่ยนะ เหตุแห่งนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานเหตุแห่งมนุษย์เทวดาเป็นต้นเนี่ยจะต้องมาค่ายๆกำหนดไล่สิ่งเหล่านี้ให้ดีไม่งั้นเนี่ยมันเริ่มสับสนพอเริ่มสับสนเข้าพอเริ่มสงสัยเข้าใจก็ไม่เอาละถ้าเราเอาอะไรจากหน้าหนักใจเท่ากับใจถอดเนี่ยนะถ้าถอดใจแล้วบอกใจบอกไม่เอาแล้วพอแล้วถ้าอย่างนี้ทํำยังไงได้ใช่ไหมอะไรจนโลกนี้นะคงมาว่ามีอะไรน่ากลัวเท่ากับใจอีกแล้วเยโดยเฉพาะใจที่ประกอบกับวิจิกิจฉาปั๊บมันบอกไม่เอาแล้วพอบอกไม่เอาแค่นั้นแหละจบเลย มันเลิกการณ์กุศลธรรมเลยแล้วมันเป็นเหมือนกับลิ่มสลักเป็นเหมือนกับข้อกว่วิจิกิจาเหมือนกับทางสองแท่งทางที่เต็มไปด้วยภัยที่หวาดระแวงดังั้นการเดินทางก็ไม่ราบรื่นมันจะต้องพยายามที่จะ ก, กําหนดกุศลธรรมให้ดีๆว่าอะไรคือกุศลอะไรคืออกุศลเป็นต้นก็ต้องมาไล่เรื่องกรรมบดใหม่คําว่ากำหนดธรรมก็คือกําหนดกุศลกรรมบดกำหนดอกุศ ล, ลกรรมบดให้ดีๆเลยว่ า, เ, าเช่นปานาติบาตให้ผลเป็นอย่างไรต่อไปเว้นจากปานาติบาต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 สมัมมามัติเนี่ยนะทบทวนให้แม่นยำมากถ้าไม่แม่นยำเนี่ยนะเริ่มระแวงแล้วก็ชักไปไม่ถูกแล้วใช่ไหมคนที่เดินทางไปถึงทางสองสามแยกแล้วเนี่ยนะงงแล้วไปทางไหนดียากนะที่เสี่ยงและถูกเนี่ยนะเพราะว่าถ้ า, ถ, าถ้าพูดแบบเป็นรู ป, ปรธรรมเนี่ยนะถ้าเป็นเห็ น, เ ห, นเห็นถนนเนี่ยนะถ้าหากว่ามองถนนซ้ายกับขวาเนี่ยห้าสิบห้าสิบถ้าเลือกถูกก็ถูกถ้าเลือกผิดก็ผิดใช่ไหมมันถือว่าห้าสิบห้าสิบถ้าทางสามแยก หมายความว่าไปถึงแล้วก็เท่ากับทางสี่แยกก็ต้องมีแยกสามเส้นเนี่ยนะก็ถ้าอย่างนี้ก็สามสามสิบนะนะประมาณสาสิบสามเนี่ยนะสามสิบามสาสิบสามสามครั้งเนะี่ยถูกผิดอยู่สามเท่าแล้วคูณสามเข้าไปเออหารสามทีนี้ถ้ามันหลายแยกเข้าไปกว่านั้นก็หารหารสี่หารห้าหารสิบหารยี่สิบตกลงแล้วไปทางไหนเขาเนี้ยงงไปหมดเลยถ้าหากว่าแยกเขียนว่าจับสายเอาไว้ไม่ดีจับสายแห่งกุศลสายแห่งอกุศลสายดีสายชั่วเป็นต้นเนี่ยนะ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 แต่ที่นี้ว่าเพียงแต่ว่าคนดีมีอำนาจโลกก็ยังสงบร่มเย็นแต่ถ้าคนชั่วมีอำนาจเมื่อไหร่ก็เดือดร้อนอ่ะนะส่านสำคัญที่ว่าโดยปกติแล้วคนไม่ดีมากกว่าคนดีหรือหรือว่าหมายคําว่าดีแบบดีมากมอ่ะนะถ้าดีปานกลางก็เยอะแหละว่างั้นแต่ดีถ้าดีแบบธรรมดาสามัญก็คนดีเยอะแหละแต่ที่นี้ที่ที่โลกยังสงบร่มเย็นเนื่องจากว่าคนดีมีความรู้ความสามารถมีคุณธรรมเป็นผู้นําช่วยเหลือเกื้อกูลอ่ะก็ก็ยังไปดีอยู่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 แต่ว่าบาปที่ทําไม่ค่อยสงสัย ย, ยแต่ถ้าเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะถ้าบาปมันให้ผลบ้างนะถ้าอย่างนี้นะจะเจริญกุศลได้เยอะนะเอ๊ะเนี่ยนะบาปที่เราทําเนี่ยมันต้องการให้ผลแน่นอนเลยเราจะออกจากบาปเหล่านั้นได้ยังไงเป็นตอนถ้าถ้าสงสัยเราแวงแบบนี้บ่อยๆน ะ, จะเจริญอย่างเดียวนี่เราทําำกุศลไว้แล้วนะเนี่ยจะต้องรีบเร่งทํากุศลให้มันเท่ากับอกุศลให้ได้เนี่ยนะแต่ถ้าถ้ามั่นใจขนาดนั้นจเจริญ แล้วข้อต่อไปท่านบอกว่าละอวิชชาด้วยธรรมที่สามารถแห่งยานทั้งหลายนะคือว่ายานเนี่ยเป็นตัวที่ละอวิชชาอนนอวิชชาคืออะไรคือไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตและอนาคตไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นถ้าปัญญาหรือยานคืออะไรรู้อดีตรู้อนาคตรู้ทั้งอดีตอนาคตรู้ทั้งปฏิจจสมุปบาทอวิชชาไม่รู้อริยสัจยานทั้งหลายเป็นสิ่งที่รู้อริยสัจจะต้องพยายามกําหนดทิศทางอันนี้ให้ดี พราะพระุทธเจ้าสอนอะไรอตัตตตาธรรมานาคาตาธรรมมาปัจจุบันนาธรรมมาแล้วจิตที่รู้อดีตรู้อนาคตปัจจุบันนี่มีอะไรบ้างอาตัตตารมนาธรรมมาอนาคตาสารมนาธาารรมมาปัจจุบันนาสารมนาธรรมมาเนี่ยนะก็ต้องมากําหนดทั้งตัวอารมณ์ด้วยตัวจิตที่คิดอดีตอนาคตและปัจจุบันด้วยน ะ, นะนะทางนี้เราก็ควบคุมระบบทางความคิดได้ว่าความคิดควรจะไหลไปทางไหนแล้วไหลเพิ่มคุณภาพสติปัญญาได้อย่างไรเนี่ยนะ มันก็เหมือนกับว่าปัญญานี่ก็เหมือนกับแสงสว่างจะเพิ่มปริมาณแห่งแสงสว่างได้อย่างไรเนี่ยเพราะไฟสมัยใหม่ก็มีปรับไฟรี่ใช่ไหมรี่จนสว่างนี้เดียว่สว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นฉันใดปัญญาของเราเนี่ยก็เหมือนกันเนี่ยนะแบบไฟเพิ่มเพิ่มสว่างเพิ่มเพิ่มเพิ่มไปเรื่อยๆถ้าสว่างขึ้นเท่าใดก็ละอวิชาความไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจจะทำขนาดนั้นอวิชาเนี่ยอวิชาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่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 แต่ถ้าไม่ต้องการซับคําของบุคคลที่เป็นทั่วไปก็ค่อยังชั่วหน่อยถ้าไม่ต้องการรู้เห็นคําสอนของพระพุทธเจ้าด้วยก็อันนั้นก็น่าสงสารที่สุดเลยแหละนพระพุทธเจ้าไม่น่าสงสารหรอกแต่คนนัน้นน่าสงสารมันก็ต้องพยายามนะว่า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 แล้วก็บวกจุตูปปต่ปปปาตยานเข้าไปนั่นเองครัยานที่รู้ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันสัมพันธ์กันทั้งเหตุผลก็คือยานที่ในปฏิจจสมุบาติก็คือยานที่รู้ทุกขัสัตต์กับสมุทัยสัตตนั่นเองนะถ้าจะพ้อยานอ น, นั้นยานฝ่ายความรู้ฝ่ายวัตตาถ้าความรู้ฝ่ายวิวัตตาว่าเพิกถอนสิ่งเหล่านี้ออกได้อย่างไรอันนั้นก็เป็นความรู้ฝ่ายวิวัตตาทั้งหลายนี้บางคนเนี่ยนะออละการมฉันทาก็ละได้ คือเจริญกุศลมาเรื่ยเจริญเนคธรรมะเจริญอัพยาบาทเจริญอโลกัสัญญาเจริญความไม่ฟุ้งซ่านการกําหนดธรรมเจริญปัญญาเจริญไปเจริญมามันมึกเบื่อเข้ามาทําไงกันเนี่ยเอาทำไปทํามามันก็เลยเบื่อเขาบอกเอ้าเจริญกุศลเบื่อด้วยเหรอถ้าไม่เบื่อภาพไม่สึกร้ององนั้นนะนะแสดงว่าเบื่อกุศลเป็นนะนะคนที่เรียนธรรมะก็เหมือนกันนี่แหละเลิกเป็นเพราะอะไรเพราะเบื่อการเจริญกุศลจะแก้ยังไงที่จะให้ไม่เบื่อการเจริญกุศลแก้ยังไงดี อารติเนี่ยอาราเตะรตีแปลว่าความยินดีอารติแปลว่าไม่ยินดีในการเจริญกุศลละอ่าชักเบื่อแล้วกลับไปหารูปเสียงกลิ่นรสโพธิภาพาดีกว่าเนี่ยนะฟังเพลงก็สบายใจดีฟังเทศก็เข้าใจก็ยากเสียงออกใหม่เพราะไม่มีดนตรีประกอบต่างหาก น, นะเรียกว่าอธิบายได้ที่ไม่ฟังอ่ะนะแต่ว่ากลับไปหาฟังเสียงเพลงดีกว่าเป็นต้นทำไงดีคระ น, นี่มันเลิกแล้วอ่ะมันไม่เอาแล้วอ่ะไม่น้อนไปเจริญกุศลแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นต้อง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 ทานเราก็ให้นะศีลเราก็รักษาบุญอันนั้นเราก็เจริญ พุทธคุณดูสีิเราก็เข้าใจขึ้นตั้งเยอะแล้วนะเมื่อก่อนก็ไม่ได้เข้าใจขนาดนี้เลยธรร ม, รมคุณเราก็เข้าใจเพิ่มขึ้นสังฆคุณเราก็เข้าใจเพิ่มขึ้นศีลเราก็รักษามานะสมาทานก็บ่อยพระธรรมเราก็จําได้ตั้งหลายสูตรแล้วก็มันระเลึกถึงว่าบุญกุศลคุณงามความดีพระเจดีที่นั่นก็ไปไหว้นะที่นั่นก็ไปกราบบุญที่นั่นก็ทําทานก็ให้ศีลก็รักษาภาวนาก็จเจริญเมตตาแล้วก็จเจริญบ่อยๆเป็นต้นละเลิกถึงคุณงามความดีบุญกุศลก็เริ่มเพิ่มขึ้นมาบ้างนะ เรารู้คุณพระพุทธเจ้าขึ้นตั้งเยอะแล้วนะอย่างเงี้ยนะเรให้กําลังใจตัวเองว่าไม่ใช่เหยียบย่าอย่างเดียวบางคนไม่รู้เป็นยังไงนะเออหนึ่งเจริญเขาเขาเหยียบย่ำว่าถามจริงค่ะคุณศึกษาธรรมะมาตั้งนานคุณเคยให้กําลังใจตัวเองว่างไม่บอกไม่เพราะมันเลวอะอย่างเงี้ย โอ้ยแต่ด่าตัวเองไปถึงไหนกันนะเขี้ยนอย่างเดียวเลยนะพวกนี้มีแต่เขี้ยนใจตัวเองอย่างเดียวมีแต่ดูหมิน่นมีแต่เยียดยามมีแต่ดูถูกตัวเองแต่บางคนก็ขี้โม้เกินไปนะทำในนิดเดียวมั น, นก็เกินไปอีกอนะันก็มากไปก็ต้องให้พอดีๆหน่อยนะหาความเหมาะสมให้เจอกันแล้วกันว่าสมควรจะแค่ไหนยามไหนที่ควรปลุกปลอบแล้วให้กําลังใจยามไหนที่ต้องข่มใจตัวเองเนี่ยนะ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 อวิชาด้วยยานและอระติด้วยปรามโมทอันนี้เรียกอุปจาระฌานใครที่บริหารคุณธรรมเจ็ดตัวไม่ได้ไม่คู่ควรที่จะได้ฌานนะนะก็เรียกาเพราะสิ่งเหล่านี้เรียกอุปจาระฌานอุปจาระฌานแล้วว่าใกล้ต่อการได้ฌานหรือผู้ที่ได้ฌานต้องบริหารเป็ม น, นะนะก็เราว่าเพราะว่าอาการของจิตเนี่ยนะถ้าสมมติว่าจิตของปุถุชนทั่วไปที่ไม่ได้ฝึก จิตที่ไม่ได้ฝึกมาเนี่ยนะโดยมาจากการมาฉันท่าบ้างเดี๋ยวก็ตกไปในการมาฉันท่าเดี๋ยวก็ตกไปในพยาบาทเดี๋ยวก็ตกไปในถีนมิทธาเดี๋ยวก็ตกไปในอุทธจักุกุจจะเดี๋ยวก็ตกไปในวิจิกิจชาเดี๋ยวก็ตกไปในอวิชชาเดี๋ยวก็ตกไปในอารเตหเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีทั้ง7กลุ่มที่จะทําให้ใจมันตกไปง่ายๆอย่างเงี้ยไอ้ตัวระบบป้องกรรนันเ่ยก็คือเนคขมมะอพยาบาทอโลกสัญญา ความไม่ฟุ้งซ่านการกําหนดธรรมยานะและความปราโมทในกุศลธรรมนั่นเองก็ต้องมาบริหารปกเครว่าดูแลใจให้ดีเนี่ยนะเกี่ยวกัเจ้าหน้าที่เครื่องและเจ้าหน้าที่ป้องกันเนี้เจ็ดท่านด้วยกันนะทางความคิดอนะนะเกี่ยวกัติดตั้งระบบภูมิคุ้มกันเจ็ดอย่างเอาไว้ให้ดีไม่งั้นเชื้อโรคมันเข้าโรคพวกนี้มันได้ายแรงนะั่นมันระบาดเข้ามาเมื่อไหร่ก็ป่วยเลยเนี่ยนะยิ่งกับไวรัสไข้หวันใหอนะีกัน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 ละตัทยาชานด้วยละปีติด้วยตัยาชานละสุขทุกโสมนัตโทมณัตก่อนก่อนด้วยจตุทัชฌานอันนี้เรียกว่าด้วยจตุทัชฌานก็เป็นการละเออเรียกว่าแม้แต่กุศลยังต้องละเลยเช่นละวิตกวิจารเนี่ยกุศลละวิตกทั้งนั้นนะให้ละอีกละปีติทั้งทั้งที่ในกุศลนะปีติในกุศลธรรมก็ต้องต้องละอีกละสุขทุก่อก่อนเนี่ยนะด้วยก็ละสุขในกุศลธรรมอีก อันนี้แหละเรียกว่ารูปประชามทั้งหลายก็มีการละแม้กระทั่งกุศลละกุศลระดับสูงต่อไปอีกแม้แต่ระดับอรูปประชามทั้งหลายเนี่ยนะใครจะได้อรูปประชามที่1ต้องละอรูปประชามที่1ออกไปออกไม่เอาละรูปประชามที่1นึ่เาเรียกว่าเพิ่มคุณธรรมไปตลอดนะถ้าได้อรูปประชามที่1ถ้าต้องละอรูปประชามที่1จึงจะได้อรูปประชามที่สองละอรูปประชามที่สองเพื่อให้ได้อรูปประามอรูปประชามที่3เนี่ยนะละอรูปประชามที่3ามจึงจะ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 ประสงค์โดยประการทั้งปวงแต่สรุปว่าคุณธรรมที่ที่ไปละเนี่ยนะคุณธรรมแต่ละตัวจะจะมีความพอสมกันเ้าเรียกว่าไม่ล่วงกันและการไม่ล้าหน้าซึ่งกันและกันก็แปลว่ากุศลธรรมเหล่านั้นสมักสมานสามัคคีปรองรองกันศรัทธาคู่กับวิริยะสมาธิคู่กับอ่าขอไปศรัทธาคู่กับปัญญาวิริยะคู่กับสมาธิสติคอยประคับประคองเพิ่มพูนกุศลธรรมเหล่านี้ให้เป็นไปได้บ่อยและ ต่อเนื่องเนี่ยนะพันทั้งศีลสมถาวิปัสสนาก็ศีลกับสมถะที่พูดมาเนี่ยนะอย่างอุปจาระฌานทั้งหลายเนี่ยถ้าเป็นทั้งกุศลศีลด้วยเพราะเริ่มกันบาปออกไปถ้าสมถะก็เพิ่มภูมบุญนั่นก็เป็นศีลสมถะแต่ถ้าต่อไปก็จะเป็นมหาวิปัสสนาสิบปดอันนั้นก็เป็นศีลสมถะและวิปัสสนาผลแห่งการเจริญศีลดีสมถะดีวิปัสสนาดีก็ จะเป็นอริยมรรคเนี่ยนะผลอริยมรรคต่อไปมีการละอะไรขึ้นไปบ้างส่วนในการเจริญมหาวิปัสสนากับอริยมรรคก็จะกล่าวเพิ่มเติมครั้งหน้าเนี่ยนะสัปดาห์หน้าแล้วก็ส่วนอาจจะครั้งหน้าอาจจะขึ้นตชัชกาตปรธรรมนีนะถ้าที่สุดนี้ก็ขอให้พวกเราทั้งหลายได้ละสิ่งที่ควรละตามที่พระพุทธเจ้าประสงค์ได้เจริญสิ่งที่ควรเจริญ ได้ทำให้แจ้งสิ่งที่ควรทำให้แจ้งตรัสรู้รมทั้งมวลตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคนทุกท่านขออนุมโมทนาจนุดผ่า